เมื่อปฏิบัติกันเรียบร้อยแล้วการสั่งสมสุต่านั้นก็สำคัญนะคบเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับการเงี่ยนในก้าวหน้าในธรรมขึ้นไปด้วยแม้กระทั่งในเรื่องของพระวินัยซึ่งเราฟังดูแล้วอาจจะเป็นพระพุทธองค์เนี่ยตรัสโดยตรงกับทิกษุอย่างไรก็ตามนะคะ การที่เราได้รู้ว่าพระพุทธองค์ได้มีกฎเกณฑ์อย่างไรให้พระภิกษุปฏิบัติตามเราจะได้ทราบเลยนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทําให้พระพุทธศาสนานั้นได้อยู่ยั่งยืนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกับที่ถ้าเราเข้าใจธรรมที่ถูกต้องนะคะเราก็เท่ากับว่าเป็นผู้ที่จะลงศาสนาที่พระศาสดาตรัสรู้ไว้ให้ยั่งยืนยาวนานต่อไปค่ะตอนนี้เรามานมัสการพระอาจารย์คือคลิปสูตรทีพะโลเพื่อที่จะได้กราบเรียนถามท่าน ถึงคำตอบต่างๆที่จะมาจากผู้ทโธชนะในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทโธชนะค่ะค่ะคือรายการเราเนี่ยท่านคะรู้สึกว่าจะมีการตอบรับมาจากท่านผู้ชมเยอะมากขึ้นทุกวัน เห็บอกว่ามหาท่าอาจารย์จากไกลๆก็เยอะเหรอคะจากหลายที่เหมือนกันจากที่ตรังวันนั้นมาจากที่ตรังจากที่อุดรจากสวีเดนสักตู้จังหวัดสวีเดนเหรอคะไม่ใช่สวีเดนประเทศสวีเดนจริงๆนะครับไม่ได้หมายความว่าจังหวัดเกิดใหม่ของประเทศไทยมีสิแลนด์ก็มีเขาเข้าถึงทางอินเทอร์เน็ตนะเข้าใจ ไม่รู้ถ่ายไปทั่วโลกหรือทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเนาะอ๋ออินเทอร์เน็ตมันไปทั่วโลกค่ะท่านคะ<อ>ถ้าเกิด เ, <อ>เขาสามารถมาเปิดดูเพราะว่ารู้สึกรายการนี้จะเป็นการถ่ายทอดไปที่เว็บไซต์วิ่ชื่อ NAP TV อ n a <AP> TV com ซึ่งมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับคนที่คิดว่าเราล้าหลังเข้าไม่ถึงแย่งจริงมันไม่ใช่นะคะมันไม่ยากเกินไปถ้าเราจะเข้าถึงอย่างไรก็ตาม ท่านจะชมรายการนี้ในขณะนี้อยู่ที่ไหนก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เราสามารถถึงซึ่งกันและกันได้วันนี้ในการกลับเรียนคําถามคําถามแรกรู้สึกคุณน้ำฝนได้เตรียมมาก็เชิญคุณน้ำฝนเลยค่ะอยากถามพระอาจารย์เรื่องการใช้สติเจ้าค่ะเพราะว่าทําอย่างไรที่เราจะใช้สติให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพื่อให้เราจะได้ไม่วกเว้นและก็ใช้ชีวิตอย่างสนุกสุกได้ทุกวัน สม่มเสมอเจ้าค่ะถ้าจะตรงนั้นเนี่ยก็คือต้องทำทำมากทำบ่อยสติถึงจะจะระลึกอยู่กับที่ใดที่หนึ่งที่เดียวได้นานๆนะแต่ถ้าเราเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่มันจะหลุดออกไปเพราะฉะนั้นพระองค์ให้ฝึกการระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรม พองค์ให้เราทํามากจเจริญให้มากงนั้นถ้าเราไม่ได้ทําบ่อยก็เป็นธรรมดาที่เราจะเผลอเพินไปกับอารมณ์ทําให้เราลึกไม่ค่อยได้อันนี้จริงต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาและการฝึกฝนที่ถูกต้องเนี่ยจริงไหมเจ้าคะว่าควรจะมีผู้นําหรือว่าครูอาจารย์ที่นําเราในทางที่ถูก พระศาสดาหให้เราเพึ่งตนและพึ่งธรรมะเป็นหลักไม่ต้องพึ่งใครบุคคลผู้ยังต้องการที่พึ่งหรือต้องการครูบาอาจารย์สแสวงหาครูอาจารย์อยู่คือผู้ที่ยังไม่รู้ปฏิจจสุบัทหรือยังไม่รู้อริ ส, สัตตสีนั่นแหละต้องสแสวงหาครูอาจารย์เพื่อให้ครูอาจารย์เนี่ยบอกอริสัตตสีให้เราก็หลีกเล้นไปอยู่ผู้เดียว พ้่งตนพึ่งรำใจประพฤติปฏิบัติ <c oughs> เพราะระดับสาวกไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติไปเองเลยได้ต้องได้ยินได้ฟังคําสอนและเพียงหนึ่งบทก่อน เ, อเมื่อได้ยินได้ฟังคําสอนแล้วก็นําคําสอนนั้นไปให้คนพิจารณาแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติอันนี้จะเป็นเหตุให้คนคนนั้นเนี่ยรู้ตามซึ่งจรรมขึ้นมาได้ สติคือการระลึกได้ระลึกได้ในกาย <c oughs> ในกายในเวทนาจิตธรรมถ้าเราหมั่นทําเรื่อยๆจิตที่หลงเพลินไปกับอารมณ์ก็จะค่อยๆลดลงลดลงเมื่อจิตที่เคลื่อนออกไปในอารมณ์ต่างๆลดลงจิตก็จะตั้งมั่นอยู่กับกายมากขึ้น <c oughs> นั่นก็คือโยมจะมีสติคือการระลึกได้ แล้วก็อยู่ในที่นั้นมีสัมปชัญญะเนี่ยนานขึ้นควรจะเอาจิตตั้งไว้ที่ไหนคะในร่างกายของเราพระศาสดาบอกแนะนำให้อยู่กับลมหายใจ <Okay. S 1> หรืออยู่กับการเคลื่อนไหวอิริยาบถ mm hmm. หรืออยู่กับการทำงานในปัจจุบันที่เรียกว่าสติอธิษฐานการงานเป็นอนุสติฐานที่6ที่ตรกสานนู้ ก็จริงค่ะพูดถึงพอเรามาคิดถึงคนธรรมดาคนที่ทำงานบางประเภทเนี่ยที่มันเป็นงานละเอียดแล้วเขาใช้สมาธิจดจ่อมากมค่ะแต่เขาอาจจะไม่มีความรู้เลยว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการละกันไหมคะหรือว่าไม่ใช่ถ้าไม่รู้ว่าการเจริญสติทาแบบนี้ได้ ก็ไม่ใช่การจเจริญสติอืมเป็นส่วนหนึ่งได้อยู่แต่ส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยบรรลุทำได้ก็ ม, มันเป็นแค่การวางจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวการวางจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวนั้นเรียกว่าจิตมีความพร้อมที่จะบรรลุรมคนคนนั้นต้องมีปัญญาสังเกตการเกิดขึ้นการดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เห็นการเกิดการดับ เขาก็บรรลุทำไม่ได้ะจะเปรียบเหมือนที่พระองุ ป, ปมา ก, การเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วไม่มีไหวพิปปฏิภานไม่สังเกตเห็นว่ามีอะไรเกิดอะไรดับในใจก็บรรลุทำไม่ได้เหมือนกัน แต่อีกอย่างนึ้งนะคะที่จะกล่าวเรียนถามในคนคนเดียวกันเลยเป็นคนที่ทำงานที่จะต้องใช้ความจดจอ่อ mm hmm. เป็นสำคัญ mm hmm. แล้วก็อาจจะเป็นคนที่เวลาทำอะไรก็พุ่งความสนใจไปที่งานที่ทำอย่างเดียว mm hmm. แล้วพอเขามนมีความรู้ mm hmm. เรื่องธรรมะของพระพุทธองค์ uh huh. ก็ถือว่าเขาจะได้เปรียบ ก, กว่าคนอื่นนะคะคือเหมือนกับ อย่างดิฉันเนี่ยสมมติพนั่งสมาธิตอนอยู่ในสมาธิก็ค่อยอยังชั่วนะคะดีแต่พอออกไปข้างนอกเราก็เหมือนกับว่าไอ้ความเคลื่อนไหวของเราเนี่ยสติเรายังมีไม่ทนันก็ไม่ ไ, ได้ทําแต่ในฐาะที่คนพวกนั้นเนี่ยเขาจะโชคดีกว่าเขามีงานที่ทำให้จิตเขาไปเกาะคือมีสติอยู่กับงานแล้วจะถือโอกาสปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันเลยได้ไหคะได้ได้แต่คนที่ใช้สติอยู่กับการทำงานเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเขาทําได้ได้ดีนะอาตมาว่าเวลาเราทำแรกๆเนี่ยมันจะหลุดมันจะรู้ตัวได้แป๊บหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเขาหลุดหลุดง่ายเพราะว่ามันมีการงานเนี่ยมาเป็นตัวเบ่ยงเบนความตั้งใจมั่นของเราออกไป <c oughs> เพราะนั้นมันใช้ได้ระดับหนึ่ง <c oughs> พระจึงเรียกเป็นอนุสติฐ <c oughs> านที่ห ก็สิ่งที่ต้องทําก็คือเห็นการเกิดการดับเวลาที่จิตมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เราใช้สติอธิษฐานการงานอยู่นะอ๋อก็เท่ากับว่าถ้าไม่มีการเห็นการเกิดการดับก็เท่ากับว่าไปไม่ถึงปลายทางใช่ใชแล้วก็มันก็ไม่ได้ง่ายสําหรับคนที่ ใช้จิตอธิษฐานการงานคือ<ช>ต้องใช้ทุกอย่างผสมกันเลยในชะ่ไหใช่ใช่ตที่แ น, น่ๆคำตอบคุณน้ำฝนคือต้องทำให้บ่อยๆใช่ไหมครับต้องขยันใช่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ขาดตกบกพร่องอันนี้เดี๋ยวก็จะได้เอคงค่ะท่าอาจารย์คะทีนี้ในส่วนของคำถามของที่ชันเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ใกล้เทศกาลที่เราจะแสดงความกตัญญูกับบรรพบุรุษออืผู้ร่วงรับอหรือว่าเป็นคนที่เรารักคนที่เรานับถือคือถ้าคนจีนเชงเมงเชงเมงกัสงกรานมัน ใ, นใกล้กันเดีย๋ยวฉันก็ไม่เคยสังเกตนะเพิ่งมาระยะหลังอืคนจะไปทําบุญอุทิศ ส, ส่วนตัวสนไหอือทีนี้พอจะไปทําบุญดิฉันเห็นถ้าจะต้องเอาโกรธที่ใส่กระดูกอะคะ่ะถ้าในบ้านมีหลายๆคน ก็จะใส่ถาดไปเลยตามแต่รางวัลใส่ไปถึงก็เขียนชื่ออือเขียนชื่อแล้วต้องให้โยงสายสินค่ะไปถึงพระสงฆ์ที่นั่งเรียนเตรียมสวดอยู่แล้วพอพระสงฆ์สวดเสร็จก็ต้องมีกรราเรเผาเผืกระดาษแล้วก็กรวดน้ําลงไปในกระดาษนั้นอสบายใจไปถึงญาติเราแหละมันต้องทำขนาดนั้นเลยไหมให้ทำขนาดนั้นมันก็ไม่ถึงถ้าเราไม่มีเจตนาให้ สำเร็จที่เจตนาไง<ะ>เพราะพระพุทธเจ้าจัดว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมยมทำบุญถวายทานแล้วเราตั้งเจตนาปรารถนาจะแต่ไม่ตายอดี่บุญบุญสนให้เข้าหรือเปล่าซึ่งวิธีเนี่ยพระองค์ตรัสสอนข่าวาเศษฐาไว้แล้วบอกว่าเศรษฐานเนี่ยถ้าพิสูจนมีจิตปราสจานิวร์หรืออกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยก็ให ทำจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งสองสามสี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวาน่ะ <c oughs> คือเหมือนกับว่าทําอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องมีเจตนาที่แน่วแน่ด้วยออือแล้วถ้าสมมุติมีเจตนาที่แน่วแน่ไม่ทําอย่างนั้นได้ไหมคะได้ถ้าสมฤทธประโยชน์ แ, แล้ว <c oughs> เพราะว่า การรักษาศีลก็เป็นมหาฐานชั้นเลยการนั่งสมาธิก็ทําได้นั่นสมมุติอย่างกับต่อไปถ้าดิฉันจะอุทิศบุญอในลักษณะนี้ช่วงเทศกาลสงการนั่นก็ไม่ต้องแบกกระดูกไปไหนเลยสิคะท่านคะใช่จ้ะไานั่งสมาธิมีมีคนสมัยนี้เขาทำอย่างนี้ท่านคะโทรศัพท์สมัยใหม่ถ่ายรูปได้ใช่ไหมคะเขาขี้เกียจแบบญาติเขาไปวัดแลถ่ายรูปถ่ายรูปถายลูกไปถึงก็บอกว่า ลวงพี่ดูหน่อยนะคะอันนี้ปู่อันนี้พอ่อนียาอันนี้ uh huh. ช่วยอุทิศบุญท uh huh. ่านไม่หลายหรอกนี้ให้พระจับค่ะท่านะ uh huh. แล้วก็อุทิศบุญอ uh huh. ถ้าไม่มีเจตนานก็ไม่ได้อ uh huh. uh huh. นี่ก็เป็นแล้วอยากจะให้ท่านให้ปัญญาถ้าพูดเป็นหลักการเลยว่าการอุทิศที่ดีที่สุด หรือส่งความปรารถนาดีของคนที่เราอจะเป็นคนฝักใส่ทำ uh huh. อย่างเช่นช่วงเทศกาลไม่ใช่เทศกาลค่ข อ, ขอภัยช่วงที่มีภัยพิบัติที่ญี่ปุ่นแผนดไวซึนามิที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดิ mm ่ง hmm. จะเห็นนะ mm hmm. พวกตามสังคมในโทรศัพท์มือถือเนี่ย mm hmm. เขาจะมีการว่าสาธุขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยทํามาในอดีตนะจงได้แผ่ไปคุ้มครองอะไร mm hmm. พวกทั้งหลายเหล่านี้ mm hmm. เป็น mm hmm. ไปได้ไหมคะ เป็นวิธีที่ใช่หรืออย่างครหรือมีวิธีดีกว่านี้ถูกต้องตามพุทธวจนะก็ถ้ากับว่าเราได้ตั้งเจตนาแล้วนะแล้วเจตนานั้นให้แก่ใครคให้แก่เทวดามนุษย์โลกกําเนดชานเปรตใสก็ได้หมดอยู่ที่เราสร้างเห็นหรือเปล่าคือการนั่งสมาธิการรักษาศิน หรือการจำแนกแจกทานตามสติกำลังของเราทีนี้ถ้าพูดถึงถามเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันคงจะต้องพูดเรื่องเด็กสนใจเรื่องว่าเด็กๆ ก, กำลังปิดเทอมเจ้าค่ะแล้วทีนี้ที่พูดว่าศึกษาธรรมะแล้วก็วิปัสสนาให้จิตนิ่งเนี่ยมีส่วนช่วยในการเรียนกัน การเรียนแล้วก็ทําให้เราเรียนดีออคระอาจารย์มีมุมมองด้านนี้อย่างไรช่วยคะเด็กๆควรจะต้องฝึกสมาธิอควรอย่างยิ่งเลยคแล้วก็จะมีผลกับการเรียนของเด็ก<ม>ด้วยเพราะว่าทําให้เด็กนั้นไม่ฟุ้งซ่านทําให้จิตของเด็กเนี่ยได้รับการอบรมและให้ทําให้เขารู้วิธีในการที่จะอดับอกุศล ความคิดต่างๆที่เป็นไปในทางไม่ดีเนี่ยออกได้โดยใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีตรงนี้นะก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือคนรุ่นใหม่ตอนนี้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นโอกาสดีสิคะถ้ า, ถ, าถ้าช่วงเวลาปิดเทอมผู้ปกครองจะนำเด็กเข้าวัดแล้วก็มา ศึกษาวิปั ส, สนาแบบง่ายๆที่เด็กพอจะนําไปใช้ปฏิบัติได้อืเด็กควรจะมาที่วัดหรือควรจะไปที่ไหนจังคะถึงจะได้วิชาแบบนี้เอาไปใช้ก็นนคนมาที่วัดนะะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศได้เห็นว่าอารามที่สงบถ้าอยู่ที่บ้านมันก็เดี๋ยวคนน้องคนนี้ว่าชวนเดี๋ยวโทรศัพท์มาเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าไปกันน ะ, ะอเ้าจะไม่ไม่แค่มีเวลาในการทําสมาธิภาวนาะ ถามต่อเจ้าค่ะว่าเราพูดกันหลายครั้งไม่ใช่ครั้งแรกว่าเด็กๆควรจะมีสมาธิฝึกสมาธิจะได้เรียนดีแต่เหมือนว่ายากสำหรับเด็กๆเจ้าค่ะมีวิธีที่ง่ายๆแล้วเป็นเคล็ดลับที่ผู้ปกครองช่วยเด็กได้ด้วยแล้วอย่าไปตั้งเกณฑ์ไว้สูงผู้ปกครองก็อย่าไปตั้งเกณฑ์นักเรียนไว้สูงตัวครูก็อย่าไปตั้งเกณฑ์นักเรียนไห้สูงไม่งั้นดี๋จะเป็นการ ขเขียวเขีนเกินไปอย่างพระศาสดาก็บอกว่าหายใจเข้าออกแค่ช่วงล้านนิ้วเดียวก็สุดยอดแล้วนะไม่ต้องทําอะไรมากอท่านอาจารย์ลีค่ครับคือในชําเรีนเด็กเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าใกล้พระาศาสนาทือเรียนโรงเรียนวัดอื ม, มเห็นวัดทุกวันเลยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจที่เป็น นักเรียนโรงเรียนวัด อ, อนุสร์ที่ได้จากการเป็นเด็กโรงเรียนวัดนี่นะคะท่านผู้ชมคือได้สวดมนต์เป็นสมัยก่อนเขาก็ให้สวดเนี่ยค่ะอิติพิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนแล้วก็จำมาได้ถึงทุกวันนี้ท่านคิดว่าตรงนั้นเนี่ยพอหรือยังคะถ้าพูดถึงว่าค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่บอกนะะี่ค่ะท่องแปลด้วยค่ะท่านคะ ตแต่แต่แ ป, แปลแบบสรพัญญะที่แต่งสละสลวยอ๋ออ๋ออ๋อี่ถ้าเราสวดก็หนึ่งต้องสวดคำพระศาสดาสองต้องเข้าใจนั้นก็ต้องมีการแปลเกิดปิธีเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นอันเนี้ยเป็นเห็นให้เข้าวิมุตตได้ก็เราจะไปตัดสิน ต, ตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเรา สาวกเ่ยไม่สามารถประเมินตรวจสอบประสิทธิบุคคลได้บางทีก็าสำเร็จเท่มาเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเขาอาจจะบรรลุธรรมก็ได้เพราะขนาดสันตมมติมารเนี่ยเมาเล่ามาก็ยังสามารถที่จะบรรลุธรรมได้หลังจากฟังธรรมพระศัสดาและไม่นานอ๋อคือหมายความว่าการสวดมนต์มีประโยชน์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่สวยแต่ขอให้รู้ทาแปลแล้วไม่ต้องไปประเมินใครว่าเขาได้ผลอย่างไร ใช่ใช่ไหมครับยกตัวอย่างคนนี้ขี้เมายังบรรลุทำได้เลยใช่ค่ะคนขี้เมาทั้งหลายหรือว่ามีญาติที่เมารู้สึกว่าโอ้ยเป็นห่วงไอ้นี่มันคงจะไปไหนต่อไหนลงกระทะทองแดงสมังมีไม่แค่กระทะทองแดงสมัยโบราณไหมครับสมัพุทธองค์อะค่ะกลัดใช่ไหมคะมีตัดเกี่ยวกับเรื่องนรกเหมือนกันเยอะมากพอสมควรอในเรื่องของการดื่มสุราเนี่ย ไม่มีอยู่ใน ม, มรรคในองจะมีอยู่ในอสินห้าแล้วก็มีในเรื่องของโซตาเป็นย่งทั้งสี่เครื่องวัดความเป็นโสรบันค่ ะ, คะก็เทากับว่าถ้าอาจารย์จะบอกว่าขนาดขี่เมาอย่างคนนั้นน่ะชื่ออะไรก็ไม่ทราบจําไม่ได้เนลย <laughs> ยังสามารถที่จะบรรลุทําได้เลยเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่วัดกันไม่ได้แต่ถ้าเด็กๆของเราเห็นถ้าอาจารย์ทําหนังสือเล่ม น, นี้ใช่เรื่องนี้นี่ตั้งใจทําให้เด็กหรือเปล่ะเห็นบอกว่ามีวิธีการ อะไรนะคะเตรียมสอบเหรอคะอาาท่านผู้ชมคะในสื่อเล่นนี้เนี่ยน่าสนใจมากในส่วนที่พอเปิดเปิดไปเนี่ยบอกว่ามีธรรมะกับการสอบสอบระดับไหนคะอสอบ entrance ทุกๆระดับประยอมเพราะตรงนี้เป็นการบอกอธิบายเขาทราบว่าความเพียรต้องปาลบกว่าพอดีบอกหลักการเพราะนั้นเด็กชั้นไหนก็ได้อเอาไปใช้ได้หมด แล้วก็ลักษณะของคนขี้เกียจจะได้ดูกิเลสตัวเองเป็นว่าเวลาตัวเองขี้เกียจเนี่ยมันจะพูดอะไรออกมาทําอะไรออกมาอย่างนี้อ๋อค่ะจะมีบอกอยู่ในนี้ทั้งหมดมีเรื่องต้องขึงสายพินพอเหมาะเนี่ยทางสายกลางใ ช, ใช่ไหมคะผู้เห็นแกนอนอันนี้ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ยังไงรู้แต่ว่าถ้าเห็นแก่นอนอย่างเดียวเนี่ยพอจะเข้าใจได้ว่าคงไม่ไปไหนลักษณะของผู้มีความเพียรตลอดเวลา เกียดคร้านตลอดเวลาเป็นอย่างไรวิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงมันเกี่ยวกับสอบอยังไงคะ่นค่ะวิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงเนี่ยผู้เจ้าจะใหะ้คิดเพียงเท่านี้ว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าด้วยการคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษาเอาไว้เพรา ะ, ะ, ะ น, นั้นเรา ได้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยเราวางเป็นอ น, นิจจังไว้ก่อนค่ะไม่แน่อันนี้คงอ่ะฮะค่ะก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่เรียนรู้ชเพื่อที่จะไม่ได้เชื่อแต่อย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นนักศึกษาโดยแท้เป็นนักศึกษา <laughs> ต้องศึกษาตามพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีวิธีการทําความเพียรแข่งกับอนาคต ภ, ภัย แก้ความหดหู่แก้ความฟุ้งซ่านท่านอาจารย์คันิชันเองคนจริงก็เคยกลับเรียนถามท่านแหละแต่พูดถึงว่าพอพูดถึงความเพียนแข็งกับอนาค ต, ตภัยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ถึงเคยกลาบเรียนถามท่านไปว่าคนเนี่ยมันจะกลัวน ะ, ะกลัวในสิ่งที่เราเห็นตัวอย่างแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือมันมีโอกาสที่จะมาถึงเราคนบางคนเนี่ยก็เลยไม่มีความสุขค่ะท่านเคยเห็นคนที่กลัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดแผ่นดินไหว บ้านชั้นเนี่ยทํำยังไงเราจะอยู่กับความกลัวนี้อย่างไรคะตามพุทธวจนะค่ะอืมจริงๆแล้วภัยพวกเนี้ยเป็นภัยที่ยังเอาตัวรอดได้แก้ไขกันได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ภัยที่มันอยู่ติดตัวเราตลอดเนี่ยที่แก้ไขไม่ได้เลยเนี่ยแล้วไม่มีใครช่วยเราได้เลยนอกจากตัวเราเองเนี่ยคือภัยจากความแก่ความเจ็บความตาย ที่ผู้เช้าเรียกว่าอะมาตาปุกติกะไพภัยที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้นั้นจริงๆแล้วเราเนี่ยมีโอกาสตายที่ตลอดเวลาแม้แต่การนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟการขับรถลงเรือต่างๆอุบัติเหตุเนี่ยเปิยๆจะเยอะกว่าสึนามิอีกนะเข้าใจเนั้แต่เนี่ยค่ะดิฉันอยากจะบีบประเด็นให้มันแคบเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเหมือนกับว่า ถ้าเราเป็นคนที่มีความกลัวเป็นเจ้าเรือนอใช้คานี้นะคะมันกลัวอยู่เลยเดี๋ยวกลัวโน่นกลัวนี่จะ ม, มีผู้ทวจรณะไหนคะที่ทําให้ดิฉันหายจากไอความรู้สึกกลัวเนี้ไปได้การพิณากายกา ย, ยข้าตาสติถ้าเราพิณากายอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราถ้าเรารู้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราความกลัวจะหมดไปเลยมันไม่มีคนกลัวไม่รู้จะกลัวไปทําอะไระอ๋อหมายถึงว่า กลัวตายสมมุตินะคะกลัวตายเนี่ยมันจะกลัวมากก็ให้พิจารณาว่าไอ้ที่ตายเนี่ยไม่ใช่เราตายออืพินากายให้เป็นท่าตสี่ดินน้ำไฟลมพินาว่าที่สุดเนี่ยกายต้องมีการแตกทําลายเป็นธรรมดาตาไม่ใช่เราหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เราพินาแขนขาไม่ใช่เราเป็นธาตตามธรรมชาติคคิดบ่อยๆซ้ํำๆมากๆนานๆ นี่ใครใช้มากวิธีนี้ก็ต้องคิดเรื่องนี้บ่อยๆคิดเรื่องอสุภะความไม่งามของกายหรือหเห็นเป็นท่าสีดีน้ำไฟลมบ่อยๆแต่ถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นอีกก็คือละความเพลินไปเลยะละความเพลินในทุกๆอารมณ์แล้วก็อยู่กับลมหายใจปัจจุบันก็คืออันนี้จะเป็นเป็นยาแก้ความกลัวโดยเฉพาะลัวตายของพระเจ้าท่านละ นอกเหนือจากกลัวตายแล้วเนี่ยถ้ากลัวอย่างอื่นใช้ยาขนาดไหนมีไม่ได้ที่เฉพาะบางคนกลัวแมงมุมเอ่อกลัวที่สูงถอนความยึดมั่นถี่มั่นจากกายเราให้ได้ถ้าถอนไม่ได้มันกลัไปได้ทุกเรื่อง uh huh. นั้นพูะ uh huh. เจ้าไม่ได้ให้วิ่งไปตามความแก้ความกลัวเรื่องโน้นเรื่องนี้กลับมาแก้ที่กายเราค่ะ uh huh. แต่ทีนี้ สมมุตินะคะท่านบอกให้แก้อย่างเนี้ยบอกว่าไม่ต้องกลัวตายนะที่มีคนเขาอย่างเขาอาจจะบอกว่าสถานที่อยู่ของคุณเนี่ยมันเป็นตำแหน่งเสี่ยงมากเลยนะออื mm hmm. มันมีโอกาสนะที่จะเกิดภัยพิบัติได้อื mm hmm. เช่นน้ำป่าไหลหลากาเนี่ยบ้านคุณพังแน่นอน mm hmm. เห็นมานักละแบบนี้นะคะเราก็มีความสูตรโตะเคียตะกายย้ายบ้านหนีดีกว่า mm hmm. เขาบอกตรงไหน mm hmm. ย้ายไปแล้วปลอดภัยทั้งทั้ ง, ท, ง mm hmm. ที่มันลำบากเรามากออื mm hmm. ท่านคิดว่าอย่างนี้เราพิจารณาอย่างเดียวไม่ใช่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้น่ะไม่มีความ <c oughs> ไม่มีความจะเป็นคือเชื่อมั่นในกรรมก็ได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นคือเราเชื่อการปรุงแต่งเราอา จ, จะตายก่อนน้ําหลากก็ได้ค่ะ <c oughs> ไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ได้ไอ้ที่คิดไปทั้งหมดนั้นหมดค่าหมดราคาทันทีลักษณะอย่างนี้มันเหมือนกับเราประมาทหรือเปล่าคะพู้ถึงบอกว่าเขาก็าบอกแล้ว ว่าอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ยังจะอยู่อีกมันก็อันนี้จังค่ะไอ้ที่จริงก็มีไอ้ที่ไม่จริงก็มีก็อยู่ที่กรรมเรามีความพร้อมหรือเราไม่มีความพร้อมก็ไม่ต่อมีความพร้อมก็ไปก็ได้ค่ะแล้วแต่เหตุปัจใจนะค่ะแล้วถ้ามันไม่ยุ่งยากอะไรมากนะอ่ามีหลักฐานความเชื่อเราจะไปก็ได้แต่ถ้าคิดว่ามันยุ่งยากอะไรมากเราก็นั่งสมาธิภานารักษาจิตของเราก็ายังไงเราก็ตายอยู่ดี ไม่ตายด้วยวิธีนั้นก็ตายด้วยวิธีโน้นวิธีนี้สารพันวิธีซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ะณวันนั้น อ, อาจจะไม่ได้อยู่ณที่นั้นก็ได้คอาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็ดีออนะคือตอนตอนนี้ที่ยิ่คิดถึงที่บอกว่ากรุงเทพเนี่ยนี่ในฐานะเป็นคนกรุงเทพก็คิดอยู่เหมือนกันมนะคะออว่าจะไปอยู่บนยอดเขาไหนดี เ, ออเขาบอบอกว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์น้ํามันท่วม แล้วก็ท่วมไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนเราหาที่อยู่ไม่ได้ปักหลักอยู่นี่เลยนะคะนั่งสมาธิเจอถึงวันนั้นอาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้หรือมันอาจจะมีเหตุการณ์นั้นหรือไม่ก็ได้ใช่ใช่หรืออาจจะตายก่อนเจอเหตุการณ์ก็ได้ที่ท่านบอกว่าให้เชื่อเรื่องกรรมมันอย่างไรล่ะคะในในสิ่งที่ท่านพูดอ่ะก็มันคงในกรรมถ้ามันจะเกิดเนี่ยมันก็ต้องเกิดอ่ะโยใช่ไหม เราก็นั่งสมาธิภาวนาทากิจการงานของเราไปทำธรรมดาปกติค่ะดี่ัะหมายความว่าท่านหมายความว่ากรรมเนี้ยมันกรรมของเราหรือกรรมของสัตว์โลกทั่วๆไปหรือยังไงคะที่ให้ให้มั่นใจในหลักกรรมกรรมของเรานี้ยแหละอ๋อค่ะคือถ้าไม่ใช่กรรมของเรามันไม่เกิดแน่อย่างนั้นใช่มันไม่เกิดไม่มีปัญหากับเราหรอกนะวันนั้นนะเวลานั้นเราอาจจะไม่ได้อยู่หน้าที่นั้นน่ะอย่างเนี้ยใช่ไหมแต่ถ้ามันจะ เป็นมันจะแย่เนี่ยยงอยู่ตรงไหนมันก็ความตายมันไปเยือนได้ทุกที่คเพอดูเหมือนกับว่ายิ่งโลกข้อมูลข่าวสารนะท่านค่ะ ม, มันจะมีการให้ข้อมูลซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ใช่คนมีความรู้ขนาดไปตามรู้ว่าข้อมูลมมที่แท้จริงที่สุดเป็นยังไงใช่ใชก็มีความทุกข์กับข้อมูลก็มลไม่เห็นเป็นไรเนี่ยเลิกทุกข์ด้วยการทําสมาธิค่ะใช่ไหม ก็อยู่ปัจจุบันนี้<ม>อยู่เอาวางจิตอยู่กับปัจจุบันน่ะปัจจุบันยังมันมันยังไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรทุกอย่างในโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงได้หมดไอ้ที่ข้อมูลว่านแม่ๆอาจจะเปลี่ยนก็ได้ค่ะไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งหมดัมไปอ่านบทสัมภาษณ์คนมีชื่อเสียงบางคนที่เขาป่วยเป็นโรคไร้รายคือไปอ่านแล้วมีความรู้สึกเออหรือมนุษย์เราเนี่ยมันต้องเจอความทุกข์ถึงจะคิดอะไรได้เยอะ พราคนนี้จะเป็นคนคิดได้ อ, อละวางมากขึ้นแต่ในความละวางนะคะับท่านอาจารย์ก็ดูเหมือนว่าเขาคิดไม่ถึงคําสอนพระพุทธเจ้านะคะคิดมาไม่ถึง อ, อทําอย่างไรถึงจะถึงจะให้พวกเราทุกคนได้ได้มีการเตรียมตัวที่ดีะคะ่ะทคือเหมือนเพื่อรับมือทุกสถานการณ์การมีสตินี่แหละเตรียมตัวที่ดีที่สุดแหละ การมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันของเราเนี่ยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยคือการเตทรียมตัวที่ดีที่สุดแล้ววางจิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยไม่ต้องไปกังวลวางแผนอนาคตอะไรมากอนาคตมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วว่ามนุษย์ในโลกใบนี้ทุกๆกคนไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่ต้องกลัว อ, อะไ ร, รเล ย, เลยใช่เพราะเราก็เกิดตายเกิดตายมาหลายรอบแล้ว นะสร้างความดีแะ้แสวงหาอมตะธรรมคือความไม่ตายดีกว่าคับขออนุญาตถามเพิ่มค่ะต่อว่าถ้าเรามีสติกับปัจจุบันแล้วเราก็ปล่อยวางแต่ทีนี้ในในโลกปัจจุบันบอกว่าต้องมีการวางแผนไม่ต้องกังวลอนาคตแต่ควรมีการวางแผนที่ดีพระอาจารย์มองว่าการวางแผนเนี่ยเป็นเป็นปัจจุบันนะเจ้าค่ะ เพราะเราคิดณวันนี้แต่เราคิดต่อเพื่อให้คาดเดาในอนาคตว่าถ้าเป็นแบบนี้คือวิถีที่เราต้องการแล้วเราเรจ ะ, จะปลอดภัยที่สุดวางก็วางได้แต่อย่าไปมั่นใจว่าแผนจะเป็นไปตามที่เราคิดมันก็ไม่แน่นอนให้สังเกตอนะไอ้แผนที่ตัวเองคิดเนะี่ยมันเป็นไปตามแผนสักกี่เรื่อง <c oughs> ย่อมสังเกตให้ดีสิมันไม่ค่อยเป็นหรอกเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเป็นบ้างไม่เป็นบ้างมันอ น, นิจจังเปลี่ยนแปลงตลอด <c oughs> ถ้ายอมสังเกตดีๆเนี่ยย่อมจะไม่อยากวางแผนอะไรเลย วางอะไรก็วางไว้คร่าวๆแล้วก็ทำํำไปตามเหตุปัจจัยเดี๋ยวมันก็ลงตัวมันเองแหละนั่งสมาธิภานาไปนะทอานอาจารย์สิงห์งท่านพูดแผนดูกไมว่าต้องมีการกักเก็บเปเรื่องเป็นราวแต่ที่ท่านสังเกตอย่างตัวเราเนี่ยออืเราจะได้พบอยู่อย่างว่าสมมตินาทีนี้ออืเราคิดไปว่าเดี๋ยวเราจะทําอย่างนั้นออือ นั่นเดียวก่ะเปลี่ยนใจแล้วอย่างนี้แปลว่าแผนล้วนใช่ไหมใช่อันนี้คือใชเรามื่ถ้ามองให้เห็นเป็นธรรมนี่คือเราเห็นอะไรอยู่คะตอ น, นอันนี้จังไงถ้าจะมองให้เห็นเป็นประโยชน์ทางธรรมต้องมองว่าไอ้ความที่ความคิดของเราเปลี่ยนเนี่ยออืสแสดงให้เห็นอันนี้จังแล้วใช่ใช่ไหมคะใช่ดีฉัน ม, มีอันนี้จังลักษณะนี้บ่อยนะคะท่านชมมีบ่อยหรือเปล่าต้องต้องมีตลอดเวลาเอาอย่างครอบครัวหนึ่งรับ วางแผนไปที่ยวกันเนี่ยอ่าพ่อไปเที่ยวนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศพอไปถึงเสร็จอ้าวสนุกสนานเนฮะไปเปิดโรงแรมข้าวอ้าวลูกปวดหัวอ้าวลูกเดี๋ยวนอนกันนะเดี๋ยวพ่อไปเอายามาให้ขึ้นมาเอาลูกตายแล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้แผนที่วางไว้มันหมดเลยเห็นไหมมันอนิจจังไงโยมวางอะไรไว้มันไม่แน่ความตายเนี่ยมันทุกวิดาทีมันเป็นได้ตลอดเวลาเห็นไหมอืมทีนี้เราหน้ากลัว จะรับมือความตายไงดีเข้าใจค่ะก็มักมีวงแปดเนี่ยคฝึกไว้เรื่อยๆมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกของเราเนี่ยมันก็จะไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์หรือภัยอันตรายอะไรทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ถ้าจะพูดโดยสรุปๆเนี่ยเราได้ความรู้เรื่องสติว่าอยากจะมั่นคงมากให้ทําให้มากนอครับได้รู้เรื่องของการเด็กๆ ใช่ไหมคสามารถจเจริญสติได้ตามควรแก่เหตุได้รู้เรื่องของการจะอุทิศบุญว่าต้องมีเจตนาโยงสายศีลหรือไม่เผาเกระดาษหรือเปล่าไม่สำคัญสำคัญที่มีจิตที่แน่วแน่อุทิศบุญให้กับเขา<ช>ได้รู้เรื่องว่าการวางแผนนั้นให้สังเกตได้เลย ว่าแผนนั้นอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องว่าไม่ควรต้องกลัว ใ, อในอนาคตมากเพราะอนาคตเป็นของไม่แน่ตามหล่ก อ, อันจังแล้วเราก็ได้พบว่าไม่ต้องกลัวอะไรเลยถ้าท่านเป็นคนที่มีสติแล้วก็เชื่อในกรรมรับมือกับความตายได้ด้วยวิธีเจริญมักยมี<ว>งองค์แปด มีอะไรอีกไหมคะที่ที่ฉันยังขาดตกบกพร่องสรุปได้ไม่ครบถ้วนรู้สึกว่าวันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรล่ะได้ทําเยอะค่ะหลายข้อแล้วก็แล้วแต่ว่าท่านทั้งหลายจะเลือกเอาไปใช้ในแบบไหนนะคะสำหรับผู้ที่กำลังจะสอบกันเนี่ยต้องขึงซ้ายพินยางพอเหมาะต้องมีความเพียรมีความเพียรแล้วยังไม่พอนะคะมีบอกลักษณะคนขยันคนขี้เกียจ ด, ด้วยว่าเป็นอย่างไร คนจะสอบแล้วอาจจะฟุ้งซ่านอาจจะขดหูนี่มีหมดเลยอยู่ในตำราเล่มสำคัญพุทธว จ, จะนะชุดปฐมธรรมเข้าใจธรรมบทเดียวก็เพียงพอนะครับผู้พุทงตัดกับคำ น, นี้ไวอย่างนั้นดังนั้นวันนี้จะขออนุญาตที่จะอ่านบทเพียรชนะเต็มๆนะคะเพื่อที่จะฝากให้เป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมรายการนี้เรามาสนใจ เรื่องลักษณะของผู้มีความเพียรดีกว่านะคะมันมีกาลังใจมากกว่าลักษณะของผู้มีความเกียดคร้านเพราะว่าอ่านแล้วเดี๋ยวเกิดตรงกับตัวของดิฉัน <c oughs> <c oughs> ค่ะลักษณะของผู้มีความเพียรตลอดเวลาอยู่หน้า163พระพุทโ์ตรัสว่าเมื่อพิกษุกําลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ถ้าเกิ ด, ก ร, ด, ด, ก, รด ก, รกรุ่นคิดด้วยความกรุ่นคิดในกามหรือกรุ่นคิดด้วยความกุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำให้ผู้อื่นลำบากเปล่าๆขึ้นมาและภิกษุก็ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจะไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แมกกำลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทาความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนปรารบความเพียรุทิตนในการเผากิเลสอยู่เนงนิด ลกลับเรียนถามท่านคำถามสุดท้ายเลยใช่ไหมคะว่าลักษณะของผู้มีความเพียรตลอดเวลาแลว้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยถ้าคุณคิดในการเดือดแค้นใครหรือคิดในทางที่จะทำให้ผู้อื่นลำบากให้ถ่ายถอนซะให้ทิ้งซะเนี่ยนะคะอันนี้มาถึงตรงหรอว่ารู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกในที่นี้หมายความว่าอย่างไรคะเอ่อตรงนี้เป็นสำนวนที่ใส่เข้าไปเองนะอ๋อค่ะอ่าก็เป็นเรื่องของ กลัวต่อสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมถ้าสรุปแล้วบาปอากุศลอะไรที่เป็นอกุศลให้ทิ้งให้หมดไม่อย่างนั้นเถอะแล้วถ้าไม่ใช่ภิกษุนะคะใช้บทไหนคะอาจารย์ก็เหมือนกันอย่างนะคะใชะ่บางคนบอกว่าดิฉันอ่านให้พระฟังเหล่นี้ไม่ใช่พระนะค น, นแท้ๆเลยนั่งฟังอยู่ก็ใช้ร่วมกันได้นะคะเพราะธรรมะของพระพุทธองค์นั้นท่าอาจารย์เคยพูดอยู่เสมอนะคะว่าเป็นสําหรับทุกๆคนใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด วันนี้เราก็มามห ก, กรรขอบพระคุณพระอาจารย์พร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ อ, อ่ดิฉันนางสาววันวลีนเนธคว้านะคะ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 จริงๆแล้วพุทธศาสนาไม่ได้ยากอย่างที่คิดะคะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอะไรที่เรียนรู้ได้ง่ายใช้ได้จริงอะค่ะก็หลังจากที่มาทำบุญในวันนี้นะคะก็ทำให้ได้รู้ว่า จริงๆแล้วาสามารถเข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่ายวัยรุ่นอย่างพวกเราก็สามารถที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ะค่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิ ด, ดรับอะไรจากหลังจากที่ศึกษาเอ่อหลังจากที่ได้ศึกษานะคะก็ทำให้จิตใจสงบมากขึ้นนะคะทำให้ลาความโกรธได้เร็วขึ้นแล้วก็ฝึกสมาธิ สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีสติมากขึ้นนะคะใช้ในการเรียนได้ทำให้มีสมาธิในการฟังอาจารย์บรรยายหรือว่าอ่านหนังสือะคะ่ะมากขึ้นตอนสุดท้ายาค่ะก็อยากจะให้บรรดาพุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะออหันมาสนใจพุทธศาสนามากขึ้นโดยการศึกษาจากพุทธวจนะโดยตรงะคะ่ะก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ยากไม่ต้องศึกษาจากคําบาลีมันจะต้องแปลหรืออะไรอย่างเงี้ยยากมากกว่า ค่ท่านผู้ชมคะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการพิทวจนะซึ่งได้ดําเนินมาถึงตอนช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะบางท่านเนี่ยชมรายการอยู่ไกลๆแม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศก็ยังเดินทางมาพบพระอาจารย์ถึงที่วัดนาป่าพงลาลูกกาคลองสิงงทธิ์ปทุมธานีแล้วนะคะอย่างเช่นในวันนี้ค่ะมีท่านผู้ชมมาจากประเทศสวีเดนเป็นคนไทยที่อยู่ที่นั่น นี้ดิฉันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะเป็นการดีไหมถ้าหากว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเหมือนกับไม่ได้มาเองก็ได้สื่อสารกับเราบ้างอย่างเป็นทางการเพราะว่าที่ผ่านมาก็คงมีคนพยายามสื่อสารบ้างแต่วันนี้จะบอกอย่างเป็นทางการว่าให้ท่านติดตามนะคะจากที่อยู่ที่เราขึ้นเอาไว้ให้เนี่ยแล้วท่านก็จะเขียนมาถึง เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่ท่านมีกับผู้ทวจนะหรือว่าอย่างอื่นในรายการหรือว่าจะเป็นการที่ท่านทิ้งคําถามเอาไว้เพื่อที่จะให้ดิฉันได้กลับเดยนถามท่านอาจารย์ให้ตอบให้ตรงกับใจของท่านซึ่งท่านบอกว่าท่านก็กำลังทำหน้าที่ที่ดีนะคะเป็นผู้บริษัทที่ทําให้คําถามนันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะได้นําเอาผู้ทวจนะที่เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆ น, น, นะคะมาตอบเป็นการให้ความรู้เราเพิ่มเติมขึ้นด้วยค่ะ ก็ขอให้ส่งกันมาแล้วก็นอนาคตข้างหน้าหากว่าจะมีการที่ให้ท่านได้มีโอกาสได้รับสื่อธรรมะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่จะมีการทำมอบไพ้อันนี้ก็จะแจ้งให้ทราบในช่วงต่อไปนะคะติดตามรับชมรายการพุทธวจะนะกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้พุทธวจนสวัสดีค่ะก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจะนะเนี่ยนเป็นผู้มีความ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 เพื่อปราลบความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสมบูรั์มรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน